ไม่เอาก็ไปตากผนลมดูดิอยู่แค่ผนลมแม่บอกว่าเปิดผนลมก็ได้ลูกบอกว่าเปิดผนลมก็ได้เนี่ยพ่อไม่เอาไม่เอาอ่ะผนลมก็ไม่เอาอยู่ๆก็นึกขึ้นมาได้ว่า้คุงเทพมันร้อนมันมีปัญหาเนาะลองไปตากแอร์ลองดูดิแต่แอร์ในที่นี้ไม่ได้หมายว่าแตกผนลมแมร์นะไปไปตากตรงตัวแอร์นะที่มันเป่ามาแล้วมันร้อนนะไปนั่งสร้างจังหวะอย่างนั้นเขอว่าดูดีใจมันคิดอะไรให้อีก คิดให้อยากทำโน่นคิดอย่างนี้คือเขาไปดูมันเป็นน่ะรู้จักทวนกระแสน่ะคนเราเนี่วิ่งหาแต่อะไรที่มันชอบใจอะอันไหนสะดวกอันไหนชอบใจอันไหนอนไรแต่เราวิ่งหา น, นั้นเราไม่ได้หาการทวนกระแสไม่ได้หาความทุกข์แล้วไม่ได้ดูความคิดความอยากว่ามันอยากอะไรให้มั่งดังนั้นคนเหล่านี้เนี่ยบางทีมันสงบนะสงบเพราะอำนาจสมาธิเราฝึกสติดีอยู่ระดับหนึ่งแต่พอ ความอยากลึกๆึแบบนี้มันมารบกวนเนี่ยเราจะหลุดไปกับมันเลยนั่นก็แสดงว่าเราแก้ทุกข์ได้แต่แบบตื้นๆหยับๆแตนที่ลึกๆลงไปเนี่ยเราทําไม่ได้ะเข้าห้องทันทีเปิดผนลมทันทีเข้าห้องทันทีอาศัยความสะดวกสบายดันทีอะไรประมาณเนี่ยจิตมันจะเป็นอย่างนั้นน่ะคือมันจะหลบไปหลบมาหลบไปหลบมามันไม่สามารถที่จะเรียนรู้อะไรที่มันลึกๆลงไปได้มันทวนกระแสได้ความคิดความอยากที่มันตะโกนออกมาเนี่ยเราฝืนมันไม่ได้เลยอ่ะ อันแสดงว่าพลังสติพลังจิตเราอ่อนอันความเย็นเนี่ยมันเยนเ็นเฉพาะข้างนอกนี้ถ้าเราแก้ข้างในได้ปุ๊บมันจะเย็นไปอีกระดับหนึ่งความเย็นเนี่ยมันจะลึกกันไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยเรยบางทีอย่างแกบอกเนะ่ะป่วยป่วยก็พัญญาหายาไม่ให้กินเอา้าวไม่กินละดูมันพัญญาบอกว่า อ, อย่าไปทิ้งสังขานเลยเก็บไว้เถอะชีวิตเนี่ยเอาไว้เผื่อบรลลุทำกินข้าวบางเถอะนึงแกก็ว่าเออไม่ไม่ทานนะ ป่วยแต่มันไม่รู้สึกหิวหิวแต่อยางดูมันว่าหลังจากผ่านหิวไปแล้วมันจะมีคําคําสั่งอะไรออกมาอีกบ้างคําสั่งนี้เป็นตัณหาไหมพอฝืนตัณหาได้ปัญญาก็ทํางานน่ะปัญญาก็ทํางานมันบอกมาว่าวางแล้วจะว่างวางแล้วจะว่างจิตมันก็ตื่นขึ้นมาแต่ดีคือถ้าตัณหาทํางานอยู่เนี่ยธรรมะมันหลีกทางให้นะ แต่ถ้าตัณหาไม่ทำงานเรามีความเด็ดขาดที่จะละตัณหาเนี่ยธรรมะมันจะทํางานสภาวะธรรมญาณการอย่างรู้เนี่ยมันจะปรากฏเกิดขึ้นมันรู้อันนั้นรู้อันนี้แต่ถ้าเราห่วงอยู่ในโอ้ยตายไปไม่รอดละชีวิตเนี่มันไม่ออกให้ท่านต้องกล้าเขาบอกว่ากล้าเป็นกล้าตายกล้าอะไรเนี่ยปัญญาถึงจะเกิดอย่าไปห่วงมันห่วงอันนั้นห่วงอันนี้ห่วงเยอะก็แย่ลําบากแล้ว วันนี้หนึ่งชั่วโมงห้าชั่วโมงห้าชั่วโมงกับห้าชั่วโมงสิบชั่วโมงกับสิบชั่วโมงสามสิบสามสิบชั่วโมงเอ่ะมันล็อกมันไว้อยู่ในนั่นเนี่ยไม่พามันไปไหนดูวันที้มันจะมีอะไรให้ดับได้ทุกอันทู่ทั้งว่าทําอะไรก็อยู่ปัจจุบันคําว่าอยู่ปัจจุบันคืออยู่ปัจจุบันเป็นไม่มีคําสั่งอื่นออกมาจากจิตเลยอนอกจากคําสั่งอันแรกใส่ข้อมูลไปแล้วกิเท่านั้นเองไม่ได้มาบอกว่าเอ้ยไปทำอะไนั่นเดียไปลุกอันนี้เดีไป ไปสักผ้าไปไปทำรถมันไม่มีมันหยุดสั่งแล้วมันไม่มีอะไรสั่งออกมาอยู่ปัจจุบันล้วนๆ่ะเนี่ยอันั้นแหละครับปัจจุบันแท้ทีวิตีถ้างั้นมันก็ยังว่าแล้วได้อยู่ได้จะเดินจงกรมบังคับให้ตัวเองเดินจงกรมได้แต่ไม่ได้สภาวะธรรมพอไม่ได้สภาวะธรรมก็หงุดหงิดง่ายอะไรมากระทบผัสสะนี่ยรุดทันทีเลยมันไม่นิ่งมันไม่สงบพอ เรารู้ธรรมะแบบตื้นๆนธรรมชาติตื้นๆเนี่ยสติมารับได้ยุตแต่ลึกๆลงไปมารับไม่ได้เข้าไม่ถึงะเหมือนไม้หลักปักเลนอะไรทบกวานไว้แล้วเนี่ยดัะนั้นมีโอกาสได้ปฏิบัติได้ทําความเปลี่ยนเนี่ยทำเถอะทาจริงๆจัง ๆ, ๆ, ๆ, ๆทําให้มันมากกว่าเดิมมากกว่าที่ความรู้สึกว่าอืมมันทุกข์ทุกข์แค่นี้มันไม่พอมันต้องทุกข์มากกว่านั้ น, นะคำว่าทุกข์มากกว่านั้นหมายความว่าต้องทนทุกข์น่ะยนะไม่ใช่ทําให้มันทุกข์นะ ต้องทนความทุกข์ได้มากกว่านั้นไม่ว่าจะทุกขเวทนาทางกายหรือความรู้สึกต้งคิดเนี่ยต้องทนให้ได้มากกว่านั้นคนแล้วยังนิ่งอยู่ได้ทนแล้วยังสงบได้ปล่อยวางได้เออนั่นแหละปัญญา ม, มันมาอยู่ตรงนั้น อ, ะอ่ะอีกส่วนหนึ่งปัญญามันจะทํางานถ้าทนพอแต่ยังไม่เกิดปัญญาเกษตรนี่มันรอเราพิสูจน์ตัวเองอยู่ว่าเราแข็งแค่ไหนเก่งแค่ไหนมันถึงจะกลายเป็นปัญญาให้นะทั้งนั้นมันก็ไม่มี สภาวะทรมันไม่ปรากฏเกิดขึ้นเราก็จมอยู่กับทุกข์ไปเรื่อยๆนะ